ฉะนั้นในการกล่าวคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอริยปริเยสนากัอนาริยปริเยสนาการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐกับการสแสวงหาที่ประเสริฐเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมพระองค์ก็จะบอกทางที่ควรไม่ควรสแสวงหาก่อนแล้วก็บอกทางที่ควรสแสวงหาที่หลัง ชาติธรมโมก็แปลว่ามีการเกิดเป็นสภาวะชราธรมโมก็แปลมีความแก่เป็นสภาวะพญาทีธรมโมก็แปลว่ามีความเจ็บไข้เป็นสภาวะมรณะธรรมโมก็แปลมีความตายเป็นสภาวะโศกธรมโมก็แปลว่ามีความโศกเป็นสภาวะสังกิเลสะธรรมโมก็แปลว่ามีความเศร้าหมองเป็นสภาวะเนี่ยนบุตรและภรรยาเป็นต้นแล้วเนี้ยนะทองและเงินเป็นต้นท่านก็ถือเอาเงิน ถ้าหากเราไปพิจารณาอย่างนี้นะบอกว่าการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเนี่ยการแสวงหาทิที่ไม่ประเสริฐที่เราศึกษากันเนี่ยบอกว่าจะบอกว่าว่าโดยการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐบอกว่า<ม>การแสวงหาบุตรการแสวงหาภรรยาการแสวงหาท่าหญิงท่าชายแพะแกะไก่สุกรช่างโคมาลาทองและเงินเออย่างนี้มันก็เป็นวิถีชีวิตของคนทั่วไปใช่ไหม ไอ้อย่างนี้ชื่อว่าสแสวงหาอะไรสแสวงหาความเกิดเป็นสภาวะสแสวงหาความแก่เป็นสภาวะเสหาแสวงหาความเจ็บไข้เป็นสภาวะแสวงหาความตายเป็นสภาวะแสวงหาความโศกและก็แสวงหาสังิเลตเป็นสภาวะเนี่ยเนี่ยไอ้ทําไมถึงมาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้บุตรภรรยาเป็นต้นเหล่าเนี้ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เกิดใช่ไหมอ่ะเป็นยังไงเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เกิดได้องอ่ะถ้าเราปรารถนาบุตร ปรารธนาเงินปรารถนาทองปรารถนาทา่าดหญิงทา่าดชายเป็นต้นอย่างนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาความเกิดปรารถนาความแก่ปรารถนาความเจ็บแล้วก็ปรารถนาความตายเนี่ยทีนี้ถ้าไปดูตอนหนึ่งนะคำว่าอุปธิทั้งปวงนะั้นมีความมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมเนี่ยทองและเงินท่านไม่ถือเอาในบทคําว่าพญาที่รรมวาระเนี่ยเพราะทองเงินนั้นไม่มีพญาที่มีโรคศีรษะเป็นต้น ไอตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาเจ็บป่วยไหมรับเนี่ยเจ็บป่วยไหมแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับทซั์กับเงินเนี่ยทำให้เราปวดหัวได้ไหมนินคนเลยคือไอตัวทซั์ตัวเงินตัวทองเนี่ยนะมันไม่ปวดหัวตัวมันไม่ปวดหัวหรอกมันไม่ป่วยหรอกแต่คนที่ไปเกี่ยวข้องกับมันเนี่ยมันมันปวดตัวเนี้ยหลายหลายคนนั่งก้ ม, มเลยนั่งมันไม่ลงตัวคิดไงไม่ลงตัวไม่ได้ทงไง จะทําไงดีจะให้มันลงตัวดีวิธีทําให้มันลงตัวทํำยังไงเอยากคุยกับท่านคุยไปคุยมาก็สอนให้ปรองอยู่เลยเลยฉันก็ยังไม่อยากปรองงเ <c oughs> งินและทองไม่มีพญาทีไม่มีมรณะกล่าวคือจุติเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายไม่มีความโศกแต่ย่อมเศร้าหมองด้วยสังิเลสมีชราเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนะ่ะท่านยึงถือเอาในสังิเลตุธรรมวาละทั้งถือเอาโดยชาติธรรมวาละด้วยเพราะมีฤดูเป็นสมุทฐานทั้ง หือเอาโดยชราธรรมวราด้วยเพราะมีสนิมจับจึงค่ําคลาที่จริงถามว่าเงินและทองเนี่ยมันมั น, มนชลาได้เหมือนกันนียอย่าอย่าไปคิดว่าไม่ไม่ไม่ไมชลาใช่ไหมเอาทิ้งไว้นานๆมีสนิมจับเคลอะเลยเงี้ยอันนี้คือชราเนี่ยเดียวในที่สุดจริงๆก็โผล่พังเนี่ยก็มรณะได้เหมือนกัน น, นั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีได้และเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นก็ชื่อว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดการสั่งสมกิเลสอย่างมา ก, กนะ น, นี่เป็นอย่างงั้น ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการสแสวงหาการสแสวงหาในลักษณะอย่างนั้นเป็นโทษส่วนถ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านสแสวงหาในสิ่งที่ไม่มีโทษนะทีนี้ในคําสอนในคําสอนที่ว่าด้วยสิ่งที่ประเสริฐเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อ น, นเนี่ยเมื่อราก่อนการตัตสรู้ยังไม่ได้ตัตสรู้เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ตอนนี้พุทธเจ้ากล่าวตอนที่ตนเองเป็นพระโพธิสัตว์ ตนเองเป็นผู้มีชาติถ้าเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาชาติเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหลเป็นผู้มีชรลาเป็นธรรมดาก็แสวงหาชะลาเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหลเป็นผู้มีพญาที่เป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาพญาที่เป็นธรรมดาอยู่นั่นแหลเป็นผู謝謝้มีมรณะเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหลเป็นผู้มีความโศกเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาความโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเป็นผู้มีสังกิเลตเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีสังกิเลตเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละรู้จักความโศกไหมโศกนี่เป็นยังไง ร, รู้จักความโศกไหมโศกกะโศกคือจิตใจที่มันไม่สดชื่นเน่ยนั่งซึมซึมถ้ายิ่งอายุมากยิ่งโศกมากนะคนเนี่ยน่าเข้าเน่าเข้าบาทีเอ๊ะนั่ง เ, งเงมือยลอยเนี่ยเยมื่อวานเนี่ยไปสังเกตคนคนหนึ่ง จะนั่งนั่งมือลอยก็ดูก็นั่งคือสายตาจะบ่งบอกว่าจะมีความโศกลึกๆอยู่เนี่ยคนเราจะมีกันอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีใครที่ที่จะสดชื่นได้ตลอดเวลาใช่ไหมเวลาใดความสดชื่นหายไปความโศกก็จะมาแทรกเป็นระยะระยะใ น, นความโศกที่เข้ามาแทรกในกระแสจิตเป็นระยะระยะนี่แหละ จะบ่งบอกจะดูได้ก็ตรงที่เวลตาวเวลตานั่นจะมีความโศกลึกๆอยู่ทีนี้เวลาใดมีความจิตสดชื่นตอนนั้นไอความโศกก็หายไปแต่เวลาความสดชื่นหายไปปุ๊บความโศกก็จะมาปิดบังเป็นระยะแต่ถ้าโศก น, น, นานๆเนี่ยโศก น, น, นานๆเข้าเนะี่ยในที่สุดจริงๆจะกลายเป็นปริเทวานะเมื่อปริเทวามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นธมานัทเมื่อธ ม, น, มนัมากขึ้นมากขึ้นจะกลายเป็นอุปายาตเนี่ย นี่ต้องระวังถ้าอุปายาตบ่อยๆแล้วเนี่ยแสดงว่าชีวิตชักไม่ค่อยดีแล้วฉะนั้นไอความโศกนี่เป็นธรรมดาของสัตว์โลกนี่มีทุกบุคคลในนี้นทีนี้ถามว่าแล้วเราสแสวงหาสิ่งที่มันไม่โศกหรือสแสวงหาโศกนี่พระโพธิสัตว์ท่านบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยตนเองก็ยังสแสวงหาความโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละ แล้วก็บอกว่าตนเองเป็นผู้มีสังกิเลตเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีสังกิเลตเป็นธรรมดาสังกิเลตในที่นั้นเป็นชื่อของพวกกิเลตทั้งหลายเนี่ยเนเราจึงมาคิดดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีชาติเป็นธรรมดาทำไมจึงยังแสวงหาสิงส่งที่มีชาติเป็นธรรมดาอยู่เราหนีเตือนตัวเองเลยเราเป็น <aggress wsz> ผู้มีชะลาเป็นธรรมดาทาไมจึงแสวงหาสิงส่งที่มี ชาลาเป็นธรรมดาอยู่เล่าเราเป็นผู้มีพยาที่เป็นธรรมดาทำไมจึงแสวงหาสิ่งที่มีพยาที่เป็นธรรมดาอยู่เล่าเป็นผู้มีมรณะเป็นธรรมดาทำไมจึงแสวงหาสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาอยู่เล่าเนี่ยเป็นผู้มีความโศกเป็นธรรมดาทำไมจึงแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่เล่าเป็นผู้มีสังกิเลตเป็นธรรมดาทำไมจึงแสวงหาสิ่งที่มีสังกิเลตเป็นธรรมดาอยู่เล่าถ้ากะไรเรา เมื่อเป็นผู้มีชาติเป็นธรรมดาก็ควรจะทราบชัดโทษสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาแล้วแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เกิดหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้กเกษมจากโยคะเมื่อมีชร า, าเป็นธรรมดาก็ควรจะทราบชัดโทษในสิ่งที่มีชร า, าเป็นธรรมดารู้อาทีนวะของของชร า, าไหมชาติเนียไหมชาติชาติสมุทยัยชาตินิโรธะ ชาตินิโรทะคามินีปฏิบัติานี่รู้รู้แบบนี้ไหมชาตินี้เป็นทุกใช่ไหมชาติสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดชาตินี้เป็นตันหาเนี่ยความไม่เป็นไปของชาติความไม่เป็นไปของเหตุให้เกิดชาตินี่เป็นนิโรดนี่ปฏิบัติการข้อปฏิบัติให้เข้าถึงนิโรดเป็นมรคเนี่ย กำหนดได้อย่างนี้ทุกอย่างไว้ถ้ากำหนดได้อย่างนี้ก็แปลว่าเริ่มจะแสวงหาอริยสัจ ส, สี่ในชาติในชาาเป็นต้นก็คือการแสวงหาพระนิพพานที่ไม่แก่หาทําอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เกษมจากโยคะเกษมจากการมโยคะเพราะว่ายโยคะทิฏฐิโยคะแล้วก็อวิชายโยคะเนี่ยนะ เมื você, saúde, aid, ่อเป็นผู้มีพยาธิเป like yep. ็นธรรมดาก็ควรทราบชัดโทษในสิ่งที่มีพยาธิเป็นธรรมดาควรแสวงหาพระนิพพานที่หาพยาธิไม่ได้หาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เกษมจากโยคะเมื่อมีมรณะเป็นธรรมดาก็ควรทราบชัดโทษในสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาแล้วก็ควรแสวงหาพระนิพพานแชรามมรณะชรามมรณะสมุทัยสลามมรณนิโรธสรามมรณะนิโรธอาคมเมณีปฏิปทาเนี่ย หาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เกเสียมจากโยโคะเมื่อเป็นผู้มีโสกเป็นธรรมดา <to> that, ก็ควรทราบชัดโทษในสิ่งที่มีโสกเป็นธรรมดาแล้วแสวงหา พ, พระนิพพานที่หาโสกไม่ได้หาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เกรเสียมจากโยคะเมื่อเป็นผู้มีสังกิเลเป็นธรรมดาก็ควรทราบชัดสิ่งโทษสิ่งที่มีสังกิเลเป็นธรรมดาแล้วก็แสวงหาพระนิพพานที่ไม่เศร้าหมองหาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เกเสียมจากโยคะตรงนี้พระโพธิสัตว์คิดอะไร พระโพธิสัตว์ท่านคิดว่าตนเองมีชาติเป็นธรรมดาก็ควรจะสแสวงหาสิ่งที่ไม่มีชาติคือความเกิดเป็นต้นเหล่านี้ก็เลยสแสวงหาพระนิพพานที่ไม่มีเกิดไม่มีตายเนี่ยนะมีความแก่มีความเจ็บไข้มีความตายมีความโศกมีสังกิเลตเป็นธรรมดาก็ต้องสแสวงหาพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหล่านี้ และเมื่อท่านคิดอย่างนั้นแล้วพระโพธิสัตว์ท่านเสด็จเข้าไปหาอาลาลดาบทก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยต่อมาเรายังเป็นหนุ่มนะเรากําลังรุ่มหนุ่มมีเกสาดําสนิทยังอยู่ในปัตถมวัยตอนนั้นอยู่ในปัตถมวัยนะวัยต้นเนี่ยนะเมื่อพระมารดาและบิดายังไม่ทรงปรารถนาให้บวชมีพระพักอาบด้วยน้ําพระเนตรทรงกันแสงอยู่ ตอนนั้นน่ยมารดาบิดาของพระบรมศ า, ศาสดาตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยปรารถนาให้บวชไหมไม่ปรารถนาแล้วก็ร้องไห้อะ่ะจึงปรงผมและหนวดหนุ่งห่มผ้ากาศวพัดออกจากเรือนออกจากเรือนไม่มีเรือนบวชเมื่อบวชแล้วก็เสา ะ, ะแสวงหากุศลเป็นอย่างไรพรุทธเจ้าสแสวงหากุศลหาอะไรหาทานก น, นกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นนี่ยเนี อย่างเราก็แสวงหากุศลงินเหมือนกันนะนะแต่โดยมากแสวงหากุศลที่เป็นไปในวัฏฏะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเสียตรงนี้แหละไอ้เสียตรงที่ทําบุญก็ยังอยากเกิดเนี่ยนะไอ้ตรงนี้อกุศลที่เป็นไปในภูมิสามนี่ชอบนะคือถ้าทําบุญบอกยังไงขอเกิดด้วยก่อนขอเกิดด้วยก่อนกลัวหลือเกินกลัวไม่ได้เกิดเวลากิดใหม่เลยเนี่ยนะทับเวลาแสวงหากุศลแสวงหากุศลที่เป็นไปในวัฏฏะหรือกุศลที่ออกจากวัฏฏะ หากุศลแบบไหนดีต่ชันข้าวยังอร่อยอยู่ไหม <c oughs> โอ้ทาไมอร่อยไม่ยอมฉันนีโอ้ไม่ได้เรื่องเลยวันนี้ว่าง่นั้นแต่บอกว่าทำไมออกจา <c oughs> อยากจะออกจากวัดตามันเป็นอย่างนี้นะออกบทขณะที่สแสวงหาทางอันสงบอันประเสริฐซึ่งหาทางอื่นยิ่งกว่ามิได้ได้เข้าไปหาลาลดาบทการามโคดแล้วก็กล่าวว่าท่านกาลามะ ข้าพเจ้าปราถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้อารัลดาบทการามโครจึงกล่าวกับเราว่าเชิญอยู่ที่นี่เถิดธรรมนี้ก็เป็นธรรมเช่นเดียวกันกันกบวินยูชนที่ทำให้แจ้งรัฐิอาจารย์ของตนด้วยความรู้ยิ่งเองก็เข้าสุเข้าถึงอยู่ไม่ช้ชาเลยเตรงนีนะ้เราศึกษาพุทธประวัติตรงนี้เราจะเข้าใจนะตรงเนี้ยในบริเวณบริเวณใกล้ใล้โพที่มนทนน่นะ ที่เสนานิคมอุรุเวลานในในในในเขตนั่นแหละที่พระโพธิสัตว์เข้าไปสแสวงหาอะไรเป็นกุศลอะไรที่จะเป็นกุศลที่จะออกจากวัฏาะเนี่ยพระโพธิสัตว์ไปสแสวงหาในขณะในสมัยนะั้นเะจ้าละที่นะคืออาละลาลาบทเนี่ยมีคนเคารพนับถือมากและใครก็ยกย่องว่าเป็นพระละหันเนี่ยนะ พระโพธิสัตว์ก็เข้าไปศึกษาเลยว่าจริงอย่างที่เขาโฆษณามดูก่อนวิกษุทั้งหลายเราเรียนทำนั้นได้อย่างรวดเร็วเนี่ยพระโพธิสัตว์นี่นะบอกไม่นานเลยเพียงเปิดปากเจรจาปลาใสเท่านั้ น, เ, นเราก็กล่าวยานนวทะและเถรวาทะได้คือพระพุทธเจ้านี่นะขอให้ใครเปิดปากพูดออกมาเปิดปากมาพูดคําไหนแล้วตนเองก็พูดคํานั้นได้ตามนั้นทันทีง่ายมากเลยว่างั้นเถอะ อย่างเราเวลาฟังธรรมเนี่ยฟังจบไปปุ๊บกทุกคาพูดเราจำได้ไหมเอาเอาใจความก่อนดังนั้เ น, นเนี่ยใจความหมดนลนี่คือคือพระโพ ธ, ธิสัตว์นี่เป็นอย่างนี้แล้วก็เรานั้นรู้ซึ่งทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นเนี่ยเราจึงคิดว่าอราระารดาบทการามาโคตเนี่ยย่อมบอกทำนี้ไม่ใช่ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราก็ททำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองให้เข้าถึงโดยแท้ อาราลดาบทการามโคตรก็รู้เห็นธรรมนี้อยู่ก็ปแปล ว, ว่าอาราลดาบทนี่ก็มีนะคุณธรรมไม่ใช่ไม่มีตอนนั้นเราจึงเข้าไปหาอาราลดาบทการามโคตรแล้วก็ถามว่าท่านการาม ะ, ท, าาามะท่านกระทำไม่แจ้งซึ่งธรรมนี้ด้วยความรู้ยิ่งดึกด้วยตนเองเข้าถึงบอกโดยเพียงด้วยเหตุเพียงเท่าใดเมื่อเราถามอย่างนี้อาราลดา บ, บทการามโคตรก็บอกอะไรบอกอากินจัญญายตนัสมาบัตเกเรา ก็แปลว่าอะไรอ า, ราลาลาาบทได้ปฐมฌานทุติยฌ า, านตาติยฌ า, านจะตุทะฌ า, า น, าชานใช่ไหมแล้วก็ได้อากาสานัญจาะทะนะวิญญาณัญจาทตนะอากินัญญาทตนะได้ฌานที่เจ็ดเลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็บอกแกพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ฟังไม่นานแล้วเอามากําหนดไม่นานได้เติทดีเลยกําหนดได้เลย อย่างเราเนี่ยบอกบอกทั้งอุเทศบอกทั้งนิเทศบอกรายละเอียดในการไปปฏิบัติเนี่ยไปปฏิบัติได้เงนินแตอ่อย่างนี้ได้ไม้มไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าบุญยังไม่ถึงไงนะเราจึงคิดว่าไม่ใช่แต่อาลารดาบทการามโคตเท่านั้นที่มีศรัทธาวิริยาสติสมาธิและปัญญาแม้เราก็มีศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเหมือน การพิชนะนั้นเราต้องเริ่มบำเพ็ญเพื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่阿าระดาบทกลามโคดกระทาให้แจ้งด้วยความรู้ยิง่งด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ได้พอคิดพิจารณาอย่างนั้นว่าเอ๊ะเนี่ย阿ารดาบทเนี่ยนะกลามโคดเนี่ยนะเอ๊ะมีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิและปัญญามีศรัทธาไหนไหนมีศรัทธามีศรัทธาในการที่จะทําสมาบัตินะ่ย ท่านบอกว่าการเจริญอากินจัญญาเ ย, ยตนาชานถ้าไม่มีศรัทธาทำได้ไหมไม่ได้ต้องมีศรัทธาต้องมีความเพียรไหมต้องมีต้องมีสติต้องมีปัญญาด้วยทีนี้ท่านมาคิดเนี่ยวิธีวิธีคิดของพระโพธิสัตว์น่าเป็นตัวอย่างตรงนี้คืออะไรรู้ไหมอย่างว่ายอมพยายามคิดเรื่องตรงเนี้นะอย่างสมมติว่าเห็นท่านพวกนั้นเนี่ยศึกษาคําสอนมาพื้นปฏิบัติได้เขามีศรัทธาใช่ไหมแล้วเราก็มีใช่ไหม เขามีวิรยิยะเราก็มีวิรยิยะเขามีสติเราก็มีเขามีปัญญาเขามีสมาธิเราก็มีเขามีปัญญาสทาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขามีอินทรีห้าเราก็มีอินทรีห้าเมื่อมีอินทรีห้าเหมือนกันมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะอบรมอินทรีห้าอย่างไรให้บริบูรณ์นี่วิธีเขาคิดแบบนี้ที่เขาเขาประสบความสําเร็จเหมือนคนที่เขาทํางานทั้งโลกถามก็คุณโยกันเนีจะรู้ใช่ไหยเขาเขาทำได้เราก็ทําได้ มันก็ต้องมาจากความคิดลักษณะแบบนี้เออคนนั้นเขาประสบความสําเร็จก็ทําได้เ อ, อ๊ะเราก็ต้องทำได้เนี่ยมันก็เกิดความมุ่งมั่นในการที่จะกระทำอยูใ่ในทางทางปฏิบัติในทางคุณธรรมก็เหมือนกันเขาคิดแบบนี้นะเออี่ยเขามีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเ อ, อ๊ะเราก็มีจริงๆมันมีอยู่แล้วใช่ไหมตัวศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเนี่ยเพียงแต่ว่าเละ เ, เราจะอบรมยังไงเราจะทําให้บริบูรณ์มากยังไง สำคัญนี้มีแล้วเราทรงไั่สู้เขาไม่ได้ตรงเนี้ยมันมันตรงเนี้ยมันหยุดตรงเนี้ยจริงไหมท่านครับถ้าคิดแบบพระโพ ธ, ธสิสัตว์คิดอย่างนี้ไปได้นั่นเมื่อท่านคิดอย่างนั้นแล้วดูก่อนพิกตูทั้งหลายต่อมาไม่นานนักเราก็ทําให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ได้ต่อจากนั้นเราจรึงเข้าไปหาอารา ะ, ะดาบทการามโคตก็แล้วได้ถามว่าท่านการามะ ท่านกระทำให้แจ้งซึ่งธรรมนี้ด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงบอกได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลหรือกไปถามบอกว่าท่านรู้แค่นี้ใช่ไหมอัลาหดาบด์ก็บอกผู้มีอายุแม้ข้าพเจ้าก็ทําให้แจ้งซึ่งธรรมนี้ด้วยความรู้ด้วยตนเองเข้าถึงบอกได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้นี่แหละพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าท่านกะรามะแม้ข้าพเจ้าก็กระทำให้แจ้งซึ่งธรรมนี้ด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ด้วยตนเพียงเท่านี้เหมือนกันอัลาลาบทก็บอกว่า นี่เป็นราบของพวกเราแล้วว่าเั้นเป็นราบของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้เห็นสมณะพรมจาณีเช่นท่านคือได้เห็นสาวพราหมณีก็คือเพื่อนดิพฤตพรมจัรย์เช่นท่านเนี่ยเพราะข้าพเจ้าก็ทําให้แจ้งซึ่งธรรมดาด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงบอกได้ท่านก็ทําได้ซึ่งทำนั้นด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ได้ท่านก็ทําให้แจ้งซึ่งทำใดเข้าถึงอยู่ได้ข้าพเจ้าก็กระทาให้แจ้งซึ่งทำนั้น ด้วยความรู้ยิ่งด้วยตัวเองเขาเขาจึงบอกได้ขา้าพเจ้าทราบทำใดท่านก็ทราบในธรรมนั้นท่านทราบทำใดข้าพเจ้าก็ทราบในธรรมนั้ น, รรรรนเป็นอันว่าข้าพเจ้าเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้น ท, ท่านเป็นเช่นใดข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดก็ว่างั้นบัดนี้เราทั้งสองจะอยู่ร่วมกันบริหารคณะบริหารหมู่คําว่าคณะคําว่าคณะเนี่ยก็บริหารหมู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 阿าราะดาบทกรามโคตทั้งที่เป็นอาจารย์ของเราก็ยกย่องเราผู้เป็นสิทธิให้เสมอกับตนและบูชาเราอย่างโอลานว่าไงด้วยประการชนิดแปลกอยู่อย่างเนะอย阿ราะดาบทเนี่ยเวลามีคนจะเอาอาหารเอาอะไรต่างๆมามาให้มาให้ตนเองเนี่ยก็จะบอกทันทีนหลังจากที่ได้สถานะเท่ากันเนี่ยก็บอกให้เอาไปบูชาพระโพธิสัตว์ เมื่อเอาไปให้บูชาพระโพธิสัตว์เท่าไร่แล้วส่วนที่เหลือตอนเองถึงเอานับถือพระโพธิสัตว์ขนาดนั้นเลยเนี่ยนับถือแล้วก็ชวนบอกให้อยู่ด้วยกันด้ยเราเนี่ยเสมอเหมือนกันแล้วรู้ธรรมเท่าๆกันว่างั้นทีนี้เมื่อพระโพธิสัตว์พิจารณาบอกว่าบอกว่าบุด้วยประการชนนี้แต่เราคิดว่าเห็นไเนี่ยพระโพธิสัตว์คิดทันทีแต่เราคิดว่า บอกกับพระนะทํธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อนิพิธาเอาเลยนี่เริ่มคิดเนี่ยนี่คนมีปัญญานะรู้ทันทีแล้วธรรมนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายไม่ได้เป็นไปด้วยวิราคะขายกำนักไม่ได้เป็นไปด้วยนิโรธะคือดับไม่เป็นไปเพื่ออุปสมะคือสงบสงบจากกิเลสและขันห้าเนี่ยนะไม่เป็นไปเพื่ออภินยาเพื่อความรู้ยิ่ง หรือไม่เป็นไปเพื่อสัมโพธาเนี่คือการตัดรู้สัจจะเนี่ยนะไม่เป็นไปเพื่อนิพานหรือปรินิพานเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่ออากินจัญญายาตนะสมาบัตเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อหน่ายทำนั้นจึงลาจากไปเห็นไหมชัดเจนตรงนี้อ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ น, นี้ไม่ใช่ไม่ใช่คําสอนไม่ไม่ใช่เป็นไปในความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดนะเนี่ยถ้ามาพิจารณาอย่างนี้จะเห็นจากคําสอนที่บอกว่า ตรงนี้เดี๋ยวไปไปดูในรายละเอียดอีกทีนึ่งนะเดี๋ยวดูดูอีกคํานึงก่อนเดี๋ยวจะไปขยายในข้อที่318ต่อดูก่อนพิกษุทั้งหลายเรานั้นเป็นผูส้สอดแสวงหากุศลเป็นอย่างไรขณะที่สแสวงหาทางสงบระงับประเสริฐอยู่นั้นหลังจากออกจากอาลาลดาบทไปเลยนะซึ่งหาทางอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ได้เข้าไปหาอุทกาดาบทรามาบุตรแล้วก็กล่าวว่าท่านรามาข้าพเจ้าปราถนาจะประพุทธประมั์ในทวีไนนี้ เมื่อเรากล่าวอย่างนี้อุทะกะดาบทลามาบุตรจึงกล่าวกะวะับเราว่าเชิญอยู่เถิดท่านทำนี้เป็นธรรมเป็นเช่นเดียวกับธรรมที่วินยูชนกระทาให้แจ้งสึงรัตที่อาจารย์ข้นตนโดยความรู้ยิ่งเข้าถึงอยู่ไม่ช้าเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเรียนธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วไม่ช้าเลยเพียงเปิดปากเจราจาปาศัยเท่านั้นเราก็กล่าวยานนวาทะและเถรวาทะได้ และทั้งเราทั้งผู้อื่นก็ย่อมทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นเราจึงคิดว่ารามบุตรย่อมบอกทำนี้มิใช่โดยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราก็ทําให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ได้โดยที่แท้รามบุตรก็รู้เห็นธทมนี้อยู่ต่อจากนั้นเราก็เข้าไปหาอุทกาต า, าบุตรรามบุตรแล้วถามว่าท่านลามาท่านทําให้แจ้งซึ่งทำนี้ด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงบอกได้ด้วยเหตุเพียงเท่าใดเมื่อเราบอก เราถามอย่างนี้อุทธกาดาบทลามบุตรจึงบอกเนวะสัญญาณาสัญญายาตนะสมาบัตเกเราตอนนี้ได้สมาบัติที่แปดนะเนี่ยคือที่ไปทีอ่อาจารย์ท่านแรกที่เนี่ยไปได้สมาบัตเจคืออากินจัญญายาตนะฌานใช่ไหม <P> พอไปหาอาจารย์ท่านเนี่ยอาจารย์ท่านนี้บอกสูงกว่านั้นอีกหนึ่งหนึ่งขั้นคือสมาบัติที่แปดคือเนวะสัญญาณาสัญญายตนะ ทีนี้อุทกาตาบทรามบุตรนั้นเป็นคนมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาพระโพธิสัตว์ก็คิดเหมือนกันว่าเราก็มีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเหมือนกันพี่ฉะนั้นเน่ยเราต้องเริ่มมาเบียรเพื่อทําให้แจ้งซึ่งทำที่อุทธากาตาบทรามบุตรบอกทําให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงอยู่ได้ว่างั้นนะคือคือบอกเอออุทกาตาบทได้ใช่ไหมเราก็จะต้องอาศัยอินทรีย์หเนี่ย อบรมินสีห้าเพื่อทำสามาบัติที่แดให้ได้เหมือนกับอุทะกาดาบททำได้พอดำริอย่างนี้ไม่นานก็สามารถทำได้รู้ยิ่งเย็งจริงด้วยตนเองเนี่ยนะก็ทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งเงข้าถึงอยู่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราก็ทำให้แจ้งซึ่งทำเหล่านั้นด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ได้ต่อจากนั้นเราก็เข้าไปหาอุทกาดาบทลามบุตรแล้วก็ถามว่าถามไงท่านลามะ ท่านกระทาให้แจ้งซึ่งทำได้ความรู้ยิ่งด้วยตนเองเ่าถึงบอกได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออุทกาาตาบทก็บอกก็ดูผู้มีอายุแม้ข้าพเจ้าก็กระทำให้แจ้งซึ่งทำนั้นด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงบอกได้ด้วยเหตุเพียงเท่านั้นบอกว่าตนเองรู้แค่เนี้บอกได้ก็บอกแค่เนี้เข้าถึงได้ก็เข้าได้แค่นี้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ไม่มากไปกว่านี้ว่างั้นเถอะ พระโพธิสัตว์บอกท่านลามะแม้ข้าพเจ้าก็กระทำให้แจ้งซึ่งธรรมเหล่านี้ด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองด้วยเหตุเพียงเท่านี้เหมือนกันอุตกาตาบวชว่าเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้เห็นสมณชีพระมารีพรารีเช่นท่านนะโอ้เป็นบุญเนะ่ยที่ได้เห็นนักบวชเช่นท่านเนะี่ยเพราะท่านลามะทาให้แจ้งซึ่งธรรมเราได้ท่านก็มีความรู้ยิ่งด้วยดวยตนเองเข้าถึงบอกได้ ท่านก็ทำให้แจ้งซึ่งธรรมเหล่านั้นด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองแล้วก็เข้าถึงบอกได้ท่านก็ทำให้แจ้งซึ่งธรรมใดด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงอยู ID. ่ได้ท่านลามะก็ทำให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงแล้วก็บอกได้ท่านลามะ Under ได้ทราบชัดธรรมใดท่านก็ทราบชัดธรรมนั้น ท่านทราบทำใดท่านลามะก็ทราบฉันทำนั้นเนะี่ะเป็นอันว่าท่านลามะเป็นเช่นไรท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดเราท่านลามะก็เป็นเช่นนั้นนี่ยนะมาเถิดบัดนี้เราทั้งสองจะอยู่ร่วมกันบริหารคณะนี้ชวนอีกแล้วชวนบริหารคณะอีกแล้วพอไปเรียนจบไปชวนนี่แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะนะเนี่ยคือคือพอได้พวกนานๆจะเจอคนที่เก่งอย่างเงี้ยจะชวนอยู่ด้วยอะ่ะ ก็จะบริคณะหมู่คณะก็จะเริ่นมากขึ้นนะนะในสมัยปัจจุบันนี่สังเกตดูไหมว่าอย่างไม่ว่าจะลรงพยาบาลก็พยายามหาหมอดีๆไปอยู่ก็เรียกร้องคนไครบริษรัทก็หาคนดีๆไปอยู่ถ้าเอาถ้าคนที่ไม่เก่งเขาไม่เอาไปไว้หรอกเ <laughs> ขาให้ออกนานแล้วเขาไม่เอาไว้ <laughs> แล้วเขาไม่เอาไว้ ลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกันที่ท่านก็นมาคิดนะนะประการต่อมาอุทธกาตดาวบรคามบุบทนะเป็นพระมารยาทเช่นเราก็ยกย่องเราไว้ในฐานะอาจารย์เลยไม่ใช่ยกย่องในฐานะศิษย์นะยกย่องไว้ในฐานะอาจารย์และบูชาเราอย่างโอฬารด้วยประกาศอะไรชนิดนั้นะตรงนี้ศึกษาตรงนี้ให้ดีเนาะว่าเออไปเรียนแล้วเนี่ยไปไปมาในที่สุดจริงๆเป็นอาจารย์เขานี่คนเป็นอย่างนี้พระบรมศาสด์เป็นอย่างนี้ ไปเหมือนจะไปเป็นสิทธิ์แต่จริงๆแล้วเล ย, ยถูกยกให้เป็นอาจารย์นะทีนี้บูชาเวลาเวลาเขาบูชาก็บูชาพระโพธิสัตว์มากกว่า บ, บูชาตนเองก่างั้นเนี้เราก็มาคิดว่าทานี้ไม่เป็นไปเพื่อนิพิทาไม่เป็นไปเพื่อเวลาคานิโรธะอุปสมะพิญยาสัมโพธายะและนิพานเนี่ยเนะี่ยอันนี้ได้อธิบายไปแล้วในธรรมจกนะักอ่ะ ย่อมเป็นไปเพื่อการเข้าถึงเนวะสัญญานาะสัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อหน่ายทํานั้นก็ลาจากไปตรงนี้เดี๋ยวไปดูความหมายตรงนี้หน่อยต้องขยายตรงที่ดูอัจฉริยในที่พระโพธิสัตว์กล่าวที่บอกว่าพระโพธิสัตว์ไปในที่ไหนบอกไปที่ไปหาอารารดาบทและอุทกาดาบทนี่เนีไปได้สมาบัติเจ ในสำนักของที่พระมหารบรุษไปศึกษาเหล่านั้นเนี่ยเวลาไปแล้วเมื่อเมื่อไปได้ได้จนสามารถเรียนในสำนักของอาราลาอุทกาอการาลาดาบทอุทกาดาบทเป็นต้นเหล่านั้นได้แล้วเนี่ยทีนี้เวลามีหญิงชายที่เป็นอุปถาของท่านอารามกาลามาเนี่ยถือเอาของหอมดอกไม้เป็นต้นมาท่านการามาเนี่ยก็บอกว่าท่านทั้งหลายจงไปบูชาพระมหาบุรุษเถิด คนเหล่านั้นก็บูชาพระมหาบุรุษแล้วก็บูชาท่านลามะด้วยของที่เหลือนี่จะเป็นไปลักษณะอย่างนั้นในเวลาเวลาบูชาจะเป็นอย่างนี้นีทีนี้คนทั้งหลายก็นําเตียงต่างเป็นต้นเหล่านั้นที่มีค่ามากเหล่านั้นนะให้แก่พระมหาบุรุษท่านเหลือก็ตนเองก็จะเอาไปบูชาท่านกัลาม์จะเสนาสนะลักษณะอย่างนี้เป็นต้น <S <S เหตุที่ทเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคนมีบุญ เมื่คนมีบุญคือพระพุทธเจ้าเนี่ยคนบางคนเนี่ยเวลาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไอยที่เคยมีความตันหนี่ในใจหายหมดเลยเพราะสิ่งเหล่า น, นี้คือคือพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ทานแล้วก็ยกย่องบูชาบุคคลอื่นเนยอะ ม, มากใช่หไหมเวลาใครที่คิดบางทีไม่ได้คิดที่จะบูชามากมายนเลยหรอกแต่พอไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบูชาเต็มที่ มันผิดกับอย่างเราๆแน่นั่นทั้งหลายใช่ไหมบางทีเตรียมใจไว้ให้ตั้งเยอะพ่อเห็นหน้าเราเนี้ยกาั ก, กเหลือ น, นิดอย่างนี้ก็เลยไม่อยากให้เยอะเลยให้นิดเดียวก็พอเลยเนะี่ยเราทําไว้น้อยเนี้ยเพราะนี่เหมือนกันถ้าบุญระหว่างบุญของไอ้ไ อ, อ, อละลรล่าลาบทเนี่ยอะไรลาลาบทเนี่ยบุญน้อยกว่าพระโพ ธ, ธิสัตว์เทียบไม่ได้เทียบกันไม่ได้ ทีนี้เมื่อท่านพิจารณาดูท่านก็รู้นะว่าไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายจากวัตะไม่เป็นไปเพื่อคลายกําหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับราคะเป็นต้นนะเนี่ไม่เป็นไปเพื่อความสงบและไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งคือไม่เป็นไปเพื่อจะรู้ยิ่งในสัจจะทั้งสี่ไม่เป็นไปเพื่อจะกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานท่านไปพิจารณาลักษณะอย่างนี้อย่างดีว่าสมาบัติที่เจคืออากิญญาญตณะเป็นเพียง อากินจัญญายตนาภพใช่ไหมถ้าได้อากินจัญญาเยตนาฌานก็ไปเกิดอยู่ในอากินจัญญาเยตนาภพเมื่อไปอยู่ในอากินจัญญาเยตนาภพก็มีอายุประมาณหกหมื่นกับไม่สูงไปกว่านั้นทํานั้นเป็นธรรมเวียนมาอีกแล้วในที่สุดจริงก็ทั้งให้เข้าถึงฐานะใดฐานะนั้นก็ไม่พ้นจากอะไรชราบรรณะไปได้เลยในที่สุดจริงก็ถูกแวดล้อมด้วยมรรตยูคือความตายทั้งนั้นเพราะงั้น ก็แล้วบุรุษผู้หิวโหยได้พาได้โภชนาที่น่าพอใจบริโภคอิ่มหนำสำําราญแล้วจึงทิ้งเรื่องนาจน้ําดีเป็นต้นเสลดเป็นต้นหลงลืมไปบ้างไม่เกิดความรู้เราจักบริโภคข้าวก้อนเดียวนั้นอีกเปรียบนั้นเป็นต้นชั้นใดพระโพธิสัตว์ก็เปียบชั้นนั้นเหมือนกันคือทําสมาบัดเจ็ดให้บังเกิดขึ้นด้วยอุตสาหอย่างมากเห็นโทษต่างด้วยการเวียนมาอีกเป็นต้นนั้นนะก็ไปคํานึงหรือว่า พิจารณาดูแล้วหอกไม่ได้พอเราเข้าสมาบัดปุ๊บเนี่ยเราก็จะท่านคํานวณได้เลยว่าได้อากินจัญญายาตนะฌานในที่สุดจริงๆก็จะเข้าถึงอากินจัญญายาตนะภพมีอายุเท่าไหร่หกหมืน่นหกหมื่นกับไอหกหมื่นกับก็มากอยู่แล้วใช่มหมหกหมืหม่นกับเนี่ยมากอยู่แล้วแต่ในที่สุดจริงๆเนี่ยไม่พ้นจากชาติคือความเกิดชลาคือความแก่มรณะคือความตาย ถูกมรดยู่แวดล้อมอยู่ไม่ได้เลยไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายครกําหนัดเพื่อดับเพื่อตัดสร้วอริยสัจท่านออกเลยเนี้ยเหมือนกินกินอาหารเนะี่ยไอตอนกินกินไปมันอิ่มไหมเงี้ไม่หิวใช่ไหมพอมันหมดอาหารแล้วมันหิวอีกไหมมันเป็นอย่างเงี้ยไอ น, นี้ก็เหมือนกันเวลาเข้าสมาบัติปุ๊บเนี่ยนะเราก็ไปอยู่ในที่ตรงนั้นเนะี่ยพอสมากําลังของสมาบัติหมดเอาไม่แล้วไม่ต้องทาต่ออีกแล้วเงี้ยมันไม่รู้จักจบสิ้นเนะ่ย นี่วิธีคิดของคนมีปัญญาเขาคิดแบบนี้นะเขาคิดแบบนี้เพ า, ามันไม่จบไอชีวิตที่ทําไม่จบนี่น่าเบื่อนอะตื่นเช้าไว้ก็ไปทําอีกแล้วไอทําต้องเดิมๆนั่นเลยแล้วไม่ไม่ไม่หมดสักทีบางทีไปก็ไองานแบบเดิมๆเลยไหมนั่งวนเย็บผ้าอยู่นั่นเนี่ยเย็บไปนี่เย็บไปเออเดี๋ยวก็หมุนเย็บเย็บเย็บไปมันออกไม่ได้นี่นี่กลุ่มที่เขาเบื่อหน่ายว่าเมาื่อไรนอนแล้วจะพน้นอุทกาดาบท ได้สมาบัติแปดก็ในยะเดียวกันอย่างนั้นเนะ่ยเอออีกอย่างหนึงนะ่งเนี่ยได้ยินเนี่ยตอนที่ไปเรียนที่เนี่ยเขาเรียกว่าที่อูลุเวลาเสนานิมคมคําว่าอูลุเวลาเนี่ยนะกองทรายใหญ่นะชื่อว่าอูลุเวลาอูลุเวลาคืออย่างนี้อูลุเนี่ยเขตแดนที่เรียกที่เรียกเวลาบอกว่าทรายที่เขานํามาเนี่ยเรียกว่าอูลุเวลาเนี่ยคืออย่างนี้ ในดิการสมัยครั้งพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติเกิดขึ้นนะกุลบุตรนี่ประมาณหนึ่งมื่นก็บวชเป็นดาบทคือมีนักบวชอยู่หนึ่งมื่นเลยนะอยู่ในประเทศนั้นวันหนึ่งเขาก็ประชุมตั้งกติกากันบอกว่ากายกรรมวจีกรรมปรากฏแก่ชนทั้งหลายเหล่าอื่นส่วนมนโนกรรมไม่ปรากฏเอาคนเราในเวลามองเห็นกันเนี่ยการกระทาทางกายมองเห็นได้ใช่ไหม คำพูดทางวาจาพูดออกมาก็เห็นได้ว่าผิดหรือถูกอย่างไรเ อ, อ่ยอย่างนี้ปรากฏแต่ความคิดในใจนี่สิไม่มีใครรู้เลยว่าใครคิดอะไรว่างั้นอยากกันนั้นเลยเราหนึ่งหมื่นคนเนะี่ยมาตั้งกติกากันถ้าใครคิดกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกถ้าใครมีการบลาค้าเกิดมีความพยาบาทเกิดขึ้นหรือมีคิดเบียดเบียนเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าใครคิดนะหนึ่งครั้งนะคนนั้นคนอื่นที่จะเตือนก็ไม่มี เพราะว่าไม่มีใครรู้ต่อไปตนเองต้องเตือนตอนเองนะอ้าววิธีเตือนทําไงเอาภาชนะใส่ทรายให้เต็มก็มาเกลี่ยวไว้ในที่นี้ถ้าหากใครเกิดกรรมวุ้ยตกอะไรก็เอ า, าเอาทรายอ่ะเอาใส่ภาชนะเอาภาชนะไปใส่ทรายมากองกันไว้ว่าเนี่ยได้บอกรู้ว่าตอนนี้เราเกิดกรรมวุ้ตกแล้วท่านทําลองทำบ้า ง, งเขาทําอย่างนี้เนี่ยทรายมากองกันไว้ อันนี้เหมือนกันก็ตั้งกฎิกากันอย่างเงี้ยเนี่ยก็เลยทำเขาไว้โอ้โหต่อมาดีแต่เนี้ยต่อมาเลยคนคิดบาปมันเยอะเดี๋ยวเขาไม่โกหกเราเองกันเลยนะเดี๋ยวคนนั้นก็ไปตักทรายมากองมากองตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ไปตักทรายมากองอยู่นั่นนะใครคิดคนนั้นก็เอามากองคิดก็เอามากองลุว้วชักลู้กันเลยไม่สงสัยั้งให้บางคนทําสงสัยแอบแกล้งไม่ตักเลย คิดตั้งนาะนนะแก้งตักวันนี้เดียวอย่างนี้มันเขาเขาไม่มีประเภทนั่นนะหนักเข้านักเข้าเลยเป็นเจเจเ จ, เจดีสถานอย่างกองอยิงใหญ่เลยแลนะตรงนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าอู่รูเวลาเขาแปลว่ากองทรายใหญ่ถ้าเราไปที่ตำบลอู่รูเวลาในะนึกถึงตรงนี้นี่คือกองทรายใหญ่เน <c oughs> ี่ยใจมันมาจากคนตักนะพวกนักบวชหนึ่งหมื่นคนเนี่ยตักกันมา นี่มันักบวชก่อนพุทธกาลนะก่อนพุทธกาลก็มาตักมากองกองกันไว้ที่ตรงนั้นเลยที่พุทธเจ้าเป็นเพียงที่ตำบลอุรุเวลานีอุรุเวลามีเป็นอย่างนี้ส่วนเสนานิคมเน่ยเขาแปลว่านิคมของเสนาเขาเล่ากันอย่างนี้ในปฐมมากับน่ยมีการพักกองทัพอยู่ในที่นั้นเพราะฉะนั้นน่ยที่ตรงนั้นก็จึงเรียกกันว่าเสนานิคมคือเขายกกองทัพมาแล้วก็มาพักใที่นั้น เขาเลยเรียกว่าเสนานิคมใช่ไหมมันจะมีคําว่าอุรุเวลาเสนานิคมถ้าไปดูตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเครื่องบินไปลงปุ๊บเนี่พุทธคยาก็จะไปที่ตรงนั้นเน่ยตําบลอุรุเวลาเสนานิคมนี่เห็นเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็เล่าเขาเขาพูดเพียงแค่พุทธคยาอืไปไปพุทธคยาแต่ว่าตแต่ถ้าเป็นนักบรรยายที่เขามีฐานความรู้หน่อยก็จะบรรยายแบบนี้ แต่ถ้าเขาไม่มีฐานความรู้ก็จะไปบรรยายเรื่องอื่นเนะเขาจะบรรยายเรื่องนี่เป็นอย่างนั้นทีนี้ลักษณะที่นะที่ตรงนั้นนั่นแหละเป็นที่ที่น่ารื่นลมนะนะภูมิภาคที่น่ารื่นลมที่งดงามด้วยดอกไม้และก็น้ํามีประการาต่างๆบานสะพั่งเป็นทั่วเนะี่ยได้เห็นภัยสนก็เกิดความเลื่อมใสเช่นกันกับลักษณะนั้นก็ได้เห็นนะประการต่อมาก็มีแม่น้ําเนรันชาลา มีน้ำใสสีเขียวเย็นเช่นกับกองแก้วมนันีกำลังไหลเอือยถ้าเราไปตอนนี้น้ำแห้งอะแต่สมัยก่อนเมื่อสองพันกว่าปีเนี่ยเมื่อวันก่อนนะเมื่อวันก่อนมีเออพระท่านไปมาก็มาเล่าให้ฟังก็บอกเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราเรียนกันเนี่ยว่างั้นนะแม่น้ำเนรัญชรามันตื้นเขินขนาดนั้นที่พระโพธิสัตว์ไปลอยถาดไปอะไรต่างเลยนะ เนี่ยคนอย่างเงี้ยไม่รู้จริงไปเอาปัจจุบันแล้วก็ไม่รู้จักอดีตไม่รู้จากคําสอนทีจริงๆถ้าสองพันกว่าปีเนี่ยไอการที่น้ํามันตื้นขึ้นมาเป็นเรื่องปกติแล้วเป็นเรื่องปกติแม่น้ําใสสีเขียวเช่นกับกองแก้วมณีกําลังไหลเอื่อยอยู่เนี่ยสะอาดปราศจากเบือกตมเป็นต้นแล้วก็ประกอบไปด้วยท่าอันดีที่ลุ่มลึกโดยลําดับ มีทิวทัศหน่าลื่นลมบางเั้นเนี่ยได้เห็นโจโคโจราคามที่หาภิกษาได้ง่ายสำหรับบรรพชิตผู้มาถึงแล้วสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งต่างๆเป็นต้นเนี่ยอันนั้นคือแม่น้ำเนรันชาลาทีนี้ในคำสอนตรงนี้ท่านกล่าวอีกตอนหนึ่งบอกว่าท่านระลึก พิจารณาดูถึงตอนหนึ่งจะบอกเสด็จเข้าไปหาแล้วก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราท่านไปพิจารณาอย่างนี้นะบอกว่าเราได้มีความดําดิว่าทำที่เราได้บรรลุได้ระลึกเห็นได้ยากหมายความว่ า, วาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราโดยตนเองเป็นผู้มีชาติเป็นธรรมดาทราบชัดโทษในสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาแสวงหาจนได้บรรลุพานิพาน นี่นะตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเรานั้นเป็นผู้ชอบแสวงหากุศลเป็นอย่างไรขณะที่แสวงหาทางอันระ ง, งับอันประเสริฐซึ่งหาทางอื่นยิ่งกว่ามิได้เที่ยวจารีกไปในเมฆโฉดชนนบรบในตระหนันบไปถึงตำบลอุรุเ ว, เวลาเสนานิคมเห็นไมที่ตรงเนี้ยที่พระองค์ไปบำเพ็ญเพียรเนี่ยหลังจากออกจากอุทกาดาบทแล้วเนี่ยนะ ได้สมาบัติ8ดแล้วเนี่ยได้เห็นภูมิภาคที่น่ารื่นลมมีราวป่าเป็นที่เพลินใจมีน้ําไหลเอื่อยมีท่าน้ําสะอาดดีน่ารื่นลมมีโครจราคามตั้งอยู่โดยรอบเราจึงคิดว่าภูมิภาคเป็นที่น่ารื่นลมหนอมีราวป่าเป็นที่เพลินใจมีน้ําไหลเอื่อยมีท่าน้ําสะอาดดีน่ารื่นลมมีโจระคมตามตั้งอยู่โดยรอบ เป็นที่สมควรเริ่มบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการจะบำเพ็ญเพียรเราจึงนั่งนะที่นั้นโดยคิดว่าที่นี้เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้พระ อ, องค์คิดว่าที่ตรงเนี้เหมาะแน่นอนแล้วก็เลยตรึกต่อไปบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราโดยตนเองเป็นผู้มีชาติเป็นธรรมดาทราบชาัดโทษในสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดา ก็แสวงหาจนได้บรรลุพระนิพพานที่ไม่มีความเกิดหาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เกษมจากโยคะเป็นผู้มีชลาเป็นธรรมดาทราบชัดโทษสิ่งที่มีชลาเป็นธรรมดาแสวงหาจนได้บรรลุพระนิพพานที่ไม่แก่หาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เกษมจากโยคะเป็นผู้มีพยาที่เป็นธรรมดาทราบชัดโทษในสิ่งที่มีพยาที่เป็นธรรมดาแสวงหาจนได้บรรลุพระนิพพานที่หาพยาทีมีได้หาทำอื่นยิ่งกว่ามีได้ กเกษมจากโยคะเป็นผู้มีวรณาเป็นธรรมดาทราบชัดโทษในสิ่งที่มีมรณาเป็นธรรมดาแสวงหาจนได้บรรลุพระนิพพานที่ไม่ตายหาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้กเกษมจากโยคะเป็นผู้มีความโศกเป็นธรรมดาแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่หาโศกมิได้หาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เกษมจากโยคะเป็นผู้มีกิเลสเป็นธรรมดาสังกิเลสเห็นทราบชัดโทษ สิ่งที่มีสังกิเกตเป็นธรรมดาสแสวงหาจนได้บรรลุพระนิพพานที่ไม่เศร้าหมองฮะทำอื่นยิ่งกว่ามิได้กเกษมจากโยคะและญาณทัศนะได้เกิดขึ้นแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเลิบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีพบใหม่ต่อไปนี่ไอตรงนี้หมายเนี่ยตรงนี้พระพุทธเจ้าแสดงว่าวิมุตติคือพระพุทธเจ้าได้แทงตลอดอริยสัจด้วยความเพียรเป็นต้นนะได้บรรลุสัพพัญญุตยานที่สามารถ สามารถเห็นธรรมทั้งปวงเกิดแก่เราเนี่ยเลยคำว่าอากุ ป, ปาเมวิมุตตินี่ก็แปลว่าวิมุตติอันประกอบไปด้วยอรหัตผลของเราชื่อว่าอากุ ป, ปะคำว่าอากุปในที่นั้นแปลว่าไม่กำเริบเพราะมีอกุ ป, ปธรรมเป็นอารมณ์เนืวิมุตตินั้นไม่กำเริบด้วยราคะไม่กำเริบด้วยโทสะไม่กำเริบด้วย โ, โมหะอรหัตผลนี่ น, นะถ้าหากพระพุทธเจ้าบรรลุแล้วเนี่ยไม่กำเริบ แต่อย่างพวกเราใช่ไหมเวลาเราบรรลุใช้คําบรรลุไม่ได้เวลาเราเจริญกุศลเนี่ยนะเจริญศีลและกุศลสมาธิกุศลภาวนากุศลกันเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวกลับกําเริบอีกแล้วเนี่ยธรรมของเรามันกําเริบอยู่ด้วยคือเดี๋ยวมันหายไปใช่ไหมพอมันหายไปเดี๋ยวมันก็กลับกําเริบอีกแล้วหายไปก็กลับกําเริบอีกแล้วเดี๋ยวก็ราคะเข้ามาแทรกโทสะเข้ามาแทรกโมหะเข้ามาแทรก อย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าถึงแล้วก็กลับมาคำเริ่มใหม่แต่พระพุทธเจ้าบรรลุอรหัตผลไม่ไม่กลับมากคำเริ่มอีกแล้วเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอกุปะนี่นะแม้เพราะไม่กคำเริ่มเมื่ออกุปะธรรมมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอกุปะเพราะมีอกุปะธรรมเป็นอารมณ์เป็นต้นเหล่าเนี้เนื้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติครั้งแรกเนี่ยตอนที่โสดิศัตว์ประสูติแล้ว ถ้าเราไปที่ไปที่ประสูที่เนปาลเนี่ยนีที่สถานที่ประสูทเนี่ยเขาจะมีรูปปั้นรูปปั้นดิ ช, ชีแล้วก็บัญญาเข้าบัญญายวา่าก็คือเบบี้บุตดาที่มีคำพูดบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราจากไม่มี อามันติมาชาตินัตถิพานปุณาโวใช่บอกว่าบอกว่าที่ประกาศออกมาบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราจากไม่มีเราเป็นผู้เลิศดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้สูงสุดในในโลกนี้พบนี้เป็นพบสุดท้ายชาติใหม่ของเราพบใหม่ของเราจากไม่มีอันนั้นเป็นการประกาศ เป็นอาสพิวาจาปัจเวคขณะยานก็เกิดขึ้นแก่เราอย่างนี้ว่าเนี่ยก็หมายความบอกว่าตอนนั้นเน่ยเมื่ออรหัตตผลเกิดขึ้นกับพระบรมศาสด า, า, าตอนนั้นได้เป็นพระพุทธเจ้านะเพราะอารหัตผลเกิดขึ้นมาปุ๊บต่อจากอารหัตผลก็ปัจเวคขณะยานปัจเวคขณะยานไปพิจารณาแล้วก็รู้เลยบัดนี้ปฏิสนธิของเราไม่มีแล้ว คือต่อไปข้าพเจ้าจะไม่ปฏิสนธิจะไม่เกิดในภพต่างๆอีกต่อไปแล้วเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาจึงบอกว่าเป็นการที่พิจารณาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีภพใหม่ต่อไปประการต่อมาก็ทรงระลึกถึงธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้มีความดำริว่าธรรมที่เราได้บรรลุนี้ลึกเขียนได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นธรรมสงบปราณีอย่างไม่ได้ด้วยความตรึกละเอียดรู้ได้แต่บัณฑิต ส่วนมูสัตว์ที่เป็นผู้ยินดีเพื่อเฟินในอะไรคําว่าอะไรเนี่ยเป็นชื่อของกรรมคุณเนะยากที่จะเห็นปฏิจจสมบัติที่เป็นปัจจัยของธรรมเหล่านี้ได้และยากที่จะเห็นธรรมที่สงบสังขารทั้งปวงสลัดทิ้งอุปธิทั้งปวงเป็นที่ตั้งเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่สํารอกเป็นที่ดับเป็นที่ออกจากตัณหาถ้าเราพึงแสดงธรรม และคนอื่นไม่รู้ทั่วถึงทำรรของเราเราก็จะลำบากนเหน็ดเหนื่อยเปล่าเห็นไหมพระเจ้าท้อขวัญขวายพระไทยทรงทรงขวัญ ข, ขวายน้อยแล้วดูก่อนวิสษุทั้งหลายทั้งคาถาอันอัศจรรย์น้อยที่เราไม่เคยได้สะดับมาแต่ก่อนก็ได้แจมแจ้งแกเราดังนี้ว่าบัตรนี้ไม่ควรประกาศทรรมที่เราบรรลุได้โดยยาก ทำนี้ชนผู้มีราคะโทสะโมหนะนันแน่นเนี่ยนะศัตรู้ไม่ได้โดยง่ายชนผู้กำหนัดด้วยอนาจอย่างราคาถูกอวิชาความมืดห่อหุ้มไว้ย่อมไม่เห็นธรรมที่ทวนกระแสในโลกอันละเอียดเป็นอนูที่ลึกซึ่งเนี่ยนะเห็นได้ยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเราคิดเช่นนี้ก็มีจิตน้อมไปเพื่อขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมไอตรงนี้ ไอ้คำว่าคำพีโลคำพีโลแปลว่าลึกซึ้งนะได้แก่เห็นได้ยากพึ่งเห็นได้ด้วยความลำบากไม่อาจจะเห็นได้โดยง่ายเพราะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งชื่อว่ารู้ตามได้ยากรู้ตามด้วยลำบากไม่อาจจะรู้ได้โดยง่ายเพราะเป็นธรรมที่เห็นได้ยากนั่นเองสันโตเนี่ยได้แก่สงบเนี่ยไม่ท่านหมายถึงอะไรโลกุตระธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่เห็นได้ยาก โดยเฉพาะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะคนที่จะรู้ได้ก็ต้องเป็นบัณฑิตเท่านั้นใช่ไหมที่จะสามารถรู้ได้และปฏิบัติได้ส่วนบทคําว่าอารยามาราเนี่ยแปลว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเกี่ยวข้องด้วยกามคุณ5้ฉะนั้นกามคุณห้าจึงเรียกว่าอาลายัยเป็นที่อาลัยาวอน์จริงๆนะกรรมคุณหในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยสัตว์ทั้งหลายย่อมข้องด้วยตัณหาวิปริตร้อยแ ไอ้ตัณหายังไหมกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหารูปตัณหาสัทธตัณหาคันธาตัณหาราสตตัณหาโผฏพหพสตัณหาแล้วก็ธรรมตัณหาตัณหาหคูณด้วยสเป็นเท่าไหร่เป็น18ใช่ไหมทั้งภายในภายนอกก็ไล่ไปเถอะทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ภายในภายนอกเป็นตัณหาร้อเลยนะ ฉะนั้นตันหานั้นจึงเรียกว่าอะไรสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าอารยะมาลาเพราะยินดีด้วยกามคุณอันเป็นที่อะไรเนีอารยามรตาก็ได้เพราะยินดีดดดในกามคุณอันเป็นที่อะไรอารยัสสมมุทิตาก็ได้เพราะยินดีด้วยด้วยดีในกามคุณนันเป็นที่อะไรเหมือนอย่างว่าพระราชาเนี่ยเข้าไปยังพระราชอุทยานที่สมบูรณ์ด้วยต้นไม้ดอกไม้ผลเป็นต้นที่ตกแต่งไว้เป็นอย่างดี ถามว่าจะยินดีไหมว่าต้องยินดีไหมหรือยินดีด้วยสมบัตินั้นๆย่อมบันเทิงรื่นลมเบิกบานไม่เบื่อแม้เย็นแล้วก็ไม่ปรารถนาจะออกไปจากที่นั้นฉันใดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมยินดีย่อมอาลัยในกามคุณแล้วก็อาลัยด้วยตัณหาเหล่านั้นฉันนั้นย่อมจะเบิกบานไม่เบื่อในสังสารวัฏให้สัตว์นี่ไม่เบื่อในายในการเกิดนะ ด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้านะทรงแสดงอะไรแกสัตว์เหล่านั้นนะว่าอุทยาอุทยานภูมิจึงตรัสคำเป็นนาทีอารยะมาลาเป็นต้นเหล่านั้นนะก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าพิจารณาดูหูสัตว์โลกเนี่ยนะเต็มไปด้วยตัณหาซึ่งมีความอาลัยอาวร์ในสังสารวัฏเหลือเกินอาลัยอาวร์ในการเวียนว่ายตายเกิดอย่างยกตัวอย่างนะเราจะไปในะที่ตรงไหนก็อาลัยอาวร์อยู่แน่นอนะนะ เอาเงี้ยสมมุติไอเรามีเรามีของเก่าๆสักคิดเนี่ยถ้าเราบอกอยากจะตัดใจอยากเอาของของนั้นที่เรารักมากให้คนอื่ น, นอะไรไหมอะไรอวอร์อยู่นั่นแหะคิดแล้วคิดอีกอยู่นั่นนหละเนี่ยมันอะไรอวอรเนี่ย น, นั่นแหละลักทนายเป็นอย่างนั้นจริงจริงการที่เราเกิดก็เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีตัณหาเป็นเครื่องอะไร เราก็อาไล่าอาวอนอยู่นั่นนะี่ไม่อยากจะจากไม่อยากประเพื่ที่ไหนให้สังเกตไม่ยากนะเวลาที่เขาไปเจอกันนะที่ตรงไห น, นเวลาจะจากกันนะี่ลากันสามรอบสี่รอบอยู่นี่นอะไรมากแล้วคิดดูถ้าจะจากพบด้วยแล้วเนี่โอ้ยยื้อกันสุดยื้อกันสุดชีวิตเลยอะไรกันมากไอคนจะไปก็อะไร ไอคนที่อยู่ก็ไม่อยากให้ไปเนี่ยโอ้โหอะไรจริงๆได้สรุปแล้วก็คือตันหามันทำกิจของมันตอนนั้นให้รู้กันแล้วกันว่าตันหามันทำงานมันทำหน้าที่ของมันมันก็เต็มที่น ะ, สะแสดงบทบาทเต็มที่นะอะไรอาวอลพรลานาคุณเต็ไมไปหมดนาลานาดอางงนีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้คือ เมื่อพระพุทธเจ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายที่จะเห็นปฏิจจสมบาทใช่ไหมจะเห็นว่ า, าวิชาปัญญาสังขารลาอวิชาเป็นปัจยัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจยัยเกิดวิญญาณเป็นต้นเนี่ยและจักสามารถเห็นทั้งอนุลมบดีลมแล้วก็ละได้นั่นหา ย, ยากมากจะสลากคืนอุปทิทั้งปวงก็ยิ่งยากเลยเพราะพิจารณาอย่างนั้นจึงขวัญขวายน้อยเลยพอขวัญขวายน้อยเนี่ย ตรงนั้นเนี่ยสหามบดีพรมก็เลยทูนลนาาธนาตรงนี้นะตอนนี้ตัดสรุ้แล้วแต่ในรายละเอียดนะ่อยู่อีกเล่มหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวไปในอีกเล่มหนึ่งที่ที่ให้ดูไปนะที่ในพุทธจริยานะั่นดูก่อนพิกษุทั้งหลายครั้งนั้นสหามบดีพรมทราบความนำหลีของเราจึงได้มีความปริวิตกว่าโอโลกจากชีบหายแหลกรานเสแล้วหนอเนี่ย พอพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระไทยน้อมไปเพื่อขวัญขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อจักแสดงธรรมสามบดีพรมอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏตรงหน้าเราคล้ายกับบุรุษผู้มีกําลังเหยียดแขนที่งอเข้าหรืองอแขนที่เหยียดออกเช่นั้นแล้วจึงเฉวงผ้าห่มประคองอัญชลีมาทางเรากาวฆ่ากล่าวกับเราฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีประภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมนะขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมสัตว์ผู้มีกิเลสทุรีที่ดวงตาน้อยเป็นปกติมีอยู่เพราะไม่ได้สดับธรรมสัตว์เหล่านั้นจักเสื่อมผู้รู้ธรรมจักมีอยู่ขันสมาบดีพรอมกล่าวดังนี้จึงกล่าวคาถาว่าแต่ก่อนในแคว้นมคตได้ปรากฏมีธรรมที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งชนพวกที่มีมนทินคิดกันไว้ ไอ้ตรงนี้ในคําตรงนี้หมายถึงใครรู้ไหมในแคว้นมคตเนี่ยครูทั้งหกเนี่ยเอาธรรมที่ไม่บริสุทธิ์มาเผยแพร่ไว้ทั่วหมดแล้วพวกไอ้มคครีโคสาราชิตาเกตคัมพลสัญชัยเวราพอบุตรปรกุท ธ, ธกัตจยนะเนี่ยสัญชัยเวระพบุตรเป็นต้นเหล่านเนี้ยนะฉะนั้นพวกครูทั้งหกเนี่ยมาเอาธรรมะผิดๆเนี่ยมาสอนให้กับชาวมาคตปฏิบัติผิดกันแย่ยๆหมดน่ย ซึ่งชนพวกที่มีมนทินคิดกันไว้ขอพระ อ, องค์โปรดทรงเปิดประตูอมตะนคนเรเถิดเนี่ยขอสัตว์ทั้งหลายจงสะดับทมที่พระ อ, องค์ผู้ทรงหมดมนทินตรัสรู้ชนผู้อยู่บนยอดเขาศิลาพึงเห็นประชุมชนได้โดยรอบฉันใดข้าแต่พระ อ, องค์ผู้มีพระปีชามีพระเนตรคือปัญญาโดยรอบขอพระ อ, องค์ผู้ปราศจากโสดโประสด โปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทสําเร็จด้วยธรรมซึ่งมีอุปมาฉันนั้นทรงตรวจดูประชุมชนผู้ละงมด้วยความโศกพรหมเนี่ยนะถูกชาติชลาครอบงำฆ่าแต่พระองค์ผู้ทรงความเพียรทรงพิชิตสงครามผู้ซึ่งหมู่สัตว์ผู้หากิเลศไม่ได้โปรดเสด็จลุกขึ้นจาริกปกโปรสัตว์ในโลกขอพระผู้มีพรภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมเถิดผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีอยู่ว่าไงถามว่าสหัมวดีพรหมเนี่ยเป็นใครด้วยไหม ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนสามดีิพรมเนี่ยเป็นพระชื่อว่าสากาสามดีพรมเนี่ยบวชนะบวชในพระศาสนาอยู่ต่อมาก็ไปเกิดเป็นเท้ามหาพรหมยานั้นจึงรู้ใช่ไหมว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยแต่คนที่นับถือพวกพรหมเนี่ยกลายเป็นมิจฉาทิถีเยอะนะแต่จริงๆถท้าสามดีิพรมเนี่ยเป็นพรหมที่บวชมานานมีศรัทธา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรารู้การราภนาของสามดีพรมและอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงได้ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุและได้เห็นเหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสทุลีในดวงตาน้อยก็มีผู้มีกิเลสทุรีในดวงตามากก็มีผู้มีอินทรีย์กล้าก็มีผู้มีอินทรีย์อ่อนก็มีผู้มีอาการดีก็มีผู้มีอาการชั่วก็มีผู้พอจะพึงสอนได้ง่ายก็มีผู้พึงจะสอนได้ให้รู้ได้ยากก็มีบางพวกมีปกติเห็นโทษและเห็นภัยในประโลก เปรียบเสมือนในกออุบลในกอปทุมเนะืหรือในกอบุญทลิกดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทลิกบางดอกเกิดในน้ําเจริญในน้ําอยู่กับน้ําจมอยู่ในน้ําอันน้ํานั้นหล่อเลี้ยงไว้บางดอกเกิดในน้ําเจริญในน้ําอยู่กับน้ําตั้งอยู่เหนือเสมอกับน้ําบางดอกก็เกิดในน้ําเจริญในน้ําโผล่พ้นขึ้นจากน้ํามาแล้วตั้งอยู่น้ําซึมก็ไปไม่ได้ชั้นใด เราขณะที่ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักรสุก็ได้เห็นเหล่าสัตว์ชนนั้นบางพวกมีกิเลสทุลีนในดวงตาน้อยบางพวกก็มีกิเลสทุลีนในดวงตามากบางพวกก็มีอินทรีย์กล้าบางพวกก็มีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกก็มีอาการชั่วบางพวกจะสอนได้รู้ได้ง่ายบางพวกก็สอนรู้ได้ยากบางพวกมีปกติเห็นโทษและเห็นภัยในปารโลกเราจึงกล่าวตอบ สหัมวดีผมว่าเราได้เปิดประตูอมตะธรรมแล้วขอเหล่าสัตว์ผู้สดับจงปล่อยศรัทธาออกรับดูก่อนพรมเราสำคัญจะลำบากว่าจะลำบากจึงไม่กล่าวธรรมที่ปราณีตและคร่องแคล่วในหมู่มนุษย์พราะพระเจ้ารับปากทันทีนะบอกว่าเราจะแสดงธรรมให้สัตว์ทั้งหลายปล่อยศรัทธาออมาจะได้ได้ดึงศรัทธากลับให้ปล่อยออกมา พูดถึงการปล่อยศรัทธาเนี่ยบางคนมันหาศรัทธาไม่ได้ไม่รู้จะปล่อยอยังไงนะเออตรงนี้นะกลับมาดูอย่างนี้ว่าสภาพของตัณหาเนี่ยไอตัวตัณหาเนี่ยท่านเรียกว่าวานะพอร้อยเย็บพบกับพบเขาไว้คือเวลาเราอยู่ในในพบของมนุษย์ใช่ไหมเราก็ถูกตัณหาเนี่ยร้อยเขาไว้อีกแล้วพอตายจากมนุษย์ก็เข้าสู่พบอีกแต่จะพบอะไรนั้นอีกอย่างนะ ไอตัวตัณหาเนี่ยมันร้อยพบต่อพ บ, พบร้อยปฏิสนธิกับจุติมันร้อยกันเข้าไว้ร้อยเหตุกับผลก็ไว้นี่นะร้อยกรรมกับผลของกรรมเขาไว้มันร้อยรัดเข้าไว้ไม่ให้ออกจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าไปพิจารณาดูนะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพวกมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกาั้นมีตัณหาประกอบเข้าไว้เนี่ยแล้วถามบอกว่าเอ๊ะทำไมจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงน้อมไปอย่างนั้น ที่จริงพระพุทธเจ้าได้ตั้งอัธยาศัยไว้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าตั้งอัธยาศัยไว้บอกว่าเราพ้นแล้วจะทําผู้อื่นให้พ้นข้ามได้แล้วจะทําผู้อื่นให้ข้ามพระองค์ตั้งความปรารถนาไว้เราเป็นผู้มีเพศที่ไม่มีใครรู้จักกระทาให้แจ้งในธรรมที่โลกยังจะต้องการอะไรเราบรรลุสัพพัญญุตยานแล้วจกทําโลกให้พร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามเนี่นะฉะนั้นการที่พระบรมศ า, ศ า, ศาสดาทรงบรมเพนบารมีธรรมทั้งหลายมีทานบารมีเป็นต้น บรรลุสัพพัญญตยานเนี่ยจิตของพระองค์น้อมไปอย่างนั้นด้วยอนุภาพแห่งอะไรปัจจเวขณาญาณฉะนั้นพระพุทธองค์นั้นทรงบรรลุสัพพัญญตยานพิจารณาถึงความที่สัตว์ทั้งหลายยึดอยู่กับกิเลสใช่ไหมมีกิเลสเป็นเครื่องข้องนและธรรมที่ธรร ม, มนะนั้นเป็นสภาพโดยเฉพาะโลกุตรธรรมเนี่ยเป็นธรรมะที่มีสภาพลึกซึ้งจึงปรากฏว่าสัตว์ทั้งหลายยังยึดด้วยกิเลสเป็นธรรมที่ลึกซึ้งด้วยอาการทั้งปวง เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ทรงดำรีว่าสัตว์เรา